วันหลังแล้วว่าน่าจะหาเตียงคนละเตียงน่าจะดีเนาะได้คละเตียงคนละเตียงจิตน่าจะสงบง่ายเนาะพอสักพักเดยจิตเป็นสมาธิง่ายเลยโอ้เกิด น, นิมิตใหญ่เลยทีนี้นิมิตปรากฏละทีนี้อ่ะตามสบายากาดร้อน ตรงนี้วัดเราขายดีเข้าออกเข้าออกวันนี้เพิ่งออกพรุ่งนี้จะเข้าอีกและตายเนี่ยความตายความตายคือปลายทางของพวกเราก็ ค, ค, คือความดับนั่นเองมาด้านก่อนที่จะดับก่อนที่จะตายถ้าเราดับได้ก่อน ภาษาบริีท่านว่านิโรดนิโรสสมาดัสนิโรธสมาธมาิยังก็บารน้อยก็่าใหญ่ท่านทำกันว่าเข้านิโรดเข้าดับอะไรก็ไม่รู้ตันนี้เราพูดถึงเกินเรื่องดับเรื่องกรรมที่เกี่ยวของ เป็นคำที่ปุริยาตัดไม่ได้ประดิษฐระเดดกันเองเอาปุริยาของเราตัดในเรื่องนี้อย่างไรพูดเลกรรมอันนี้เมื่อต้องยกภาษาบาลียกประสมมามันจะเข้าใจยากพูดเป็นภาษาเราง่ายๆก็คือพุทธเจ้าเราถ้าจะพูดเรื่องกรรมน้ำพูดถึเรื่อง น, นึงกรรมเก่า สองกำให ม, ม่วิธีดับกรรมเป็นภาษาเราง่ายๆกำเก่าเกิดจะอะไรกำใหม่เกิดจะอะไรและกำเก่ากำใหม่มันจะดับยังไงตันจะหมดไปได้ยังไงนั่นก็โดยสรุปนิพพานรวม กรเกา่าภาษาบาลีเรียกปุรานกรรมแปลว่าคนปุรานะหรือโบราณหมายแปลว่าเก่าเช่นพรราชถานสถานที่เกา่าโบราณวัตถุวัตถุกเกา่าปุรานกรรมก็คือกําเก่านี่เองกําเก่าก็จะอะไร การก่าก็เกิดจากรูปที่มันแสดงออกทางตาซึ่งกระบวนการข้ามันก็คือมันก็ปฏิฆะหรือประกระทบหรือว่าผัสซึงเกิดความรู้ขึ้นมาแล้วก็ใช้ที่มันรู้นะมันจบไปแล้วมันพ้นไปแล้วมันไม่ได้เกี่ยวกับตาไม่เกี่ยวกับรูปมันก็ไล่ไปตามลำดับคืตาก็เป็นคู่ๆไปตาหัูจมูกเลี้ยงกาย นี่คือคำเก่าอุปราณะคำใหม่กรใหม่คืออะไรเกิดจากอะไรคำใหม่ก็เกิดจากที่เราพูดอยู่บ่อยๆนี่เกิดจากความคิดกรรพูดการกระทำที่เป็นปัจจุบันอันนี้เป็นเรื่องของปัจจุบันปัจจุบันนะั่นคือปัจจุบั น, นจิต ที่เป็นปัจจุบันนี่คือกรรมใหม่เปนี้การดับของกรรมเกรรม่ากับกรรมใหม่จะดับไรอย่างไรเรานิโรธกรรมคือการดับกรรมทั้งสองคนที่จะดับกรรมลองได้ลอาก็้าใจรูปก็ใช้นามก็คือกําหนดรูปกําหนดนาม คือให้ดูรูปให้ดูน้ำทำไมต้องดูรูปเพราะว่ามันต้องมีที่ดูต้องมีที่เห็นมันเป็นอชัดเจนก็คือรูปนั่นเองแล้วก็น้ำดูอย่างไรดูสันตติสันตติคืออะไรคือการต่อเนื่องของมันคือตั้งแต่เริ่มต้น รากฏแล้วก็ดับไปเร็วสันตติตัวที่จะปราบสันตติได้ไปโกนสติได้อย่างมีผลอย่างต่อเนื่องตัวนั้นเร็วความเพียรความเพียรตนี้เป็นตัวบอกถ้าใครมีความเพียรมากเพิ่มความเพียรมากคนนั้นก็จะเห็นความสันตติแต่พูดง่ายคือสติ เปนสติขั้นตอนเรื่องเช่นเกิดความโกรธขึ้นมาเกิดความหลงขึ้นมาเกิดความไม่พอใจขึ้นมาถ้าไม่มีสติมันก็จะเป็นไปตามความคิดคาพูดการกระทานั้นๆก็เกิดความคิดขึ้นมาเกิดคาพูดเกิดการกระทาเกิดแสดงออกทางกายมันก็ไม่ดับแต่ถ้าความสันติเรามีความเพียรเรามีสติเกิดขึ้น เราจะรู้เช่นความโกรธความโลภเกิดขึ้นมันก็จะหยุดทันทีหรือไม่ก็ราคาทุษฎโมหะเกิดขึ้นมันก็จะดับได้ชั่วครัง้งชั่วคราวเลย น, นี่ถ้ามันเป็นต่อเนื่องก็จนเราเห็นพวกเรือต่อเนื่องไปเรื่อยเราก็จะเห็นความสันตติกันต่อเนื่องของมันพวกนี้ต้องความเพียรเท่านั้นเรามันมีความเพียรไมอมีทางเลย ที่เห็นก่อต่อเนื่องของสงตนนิเหล่านี้ความต่อเ น, นื่องของสติมันไม่ไ ม, มีมันก็ไปไปเรื่อยออกจากเรื่องไปเรื่องไปเรื่องนี่เขาเรียกว่าไม่ต่อเ น, นื่องกาเป็นเรื่องเดียวกันจนยาวเป็นเรื่องเรียกยวกสันติเพราะฉะนั้นปัจจุบันนะจิตคือต้องจิตที่เป็นปัจจุบันรูปก็ต้องเป็นรูปที่ปัจจุบันน้ำก็ต้องเป็นน้ำที่ปัจจุบันเช่นระบองรูปถึงแม้มันเป็นรูปก็จริง แต่ถ้ามองแล้วว่ารูปนี้มันเป็นรูปเก่าเช่นรูปนี้ครูบาอาจารย์อย่างหลายร้อยรูปเดียร์ลายอยู่ตามสลานี่เราก็รู้ว่ามันเป็นรูปแต่รู้อีกต่อทีว่ามันเป็นรูปเก่ามันไม่ใช่รูปปัจจุบันรูปของเราก็เหมือนกันถ้าก็โกรกขึ้นรั้วนั้นมันเป็นของเก่าของเก่าก็เป็นโบราณนะมันเป็นของเก่าไปแล้ว เป็นกรรเต่าไปแล้วมันไม่ใช่ของใหม่คือนาวะแต่ไม่ใช่รูปที่เป็นนาวะนาบรูปคือรูปใหม่คือรูปปัจจุบันนี้แต่พูดง่ายๆคือมันไม่ใช่เรื่องปัจจุบันดึงกลรมมาที่ ป, ปัจจุบันคือ ป, ปัจจุบันในจิตบางทีต่อสู้กันอย่างนี้หนึ่งมันก็จะคิดไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นกรรมใหม่เกิดขึ้นจากหนึ่งความคิดก็ามาดูความคิดอี่มันจบไปแล้ว นมันก็ไม่ใช่แล้ะมันเป็นปุราณะไปแล้วเป็นของเก่าไปแล้วมันไม่ใช่ของใหม่คือนา่ามันก็สติมันก็เกิดขึ้นเออเรื่องนี้มันเป็นอดีตพูดง่ายๆอย่างนี้มันจบไปแล้วเรื่องนี้เป็นอนาคตยังไม่มาถึงยังไม่เกิดก็ดินมาถึงในปัจจุบันเรียปัจจุบันจิตปัจจุบันธรรมมันก็เกิดเป็นปัจจุบันธรรมคือทําในขณะนั้นเพราะอะไรเพราะว่าจิตที่เป็นปุราณะ หรือเรื่องที่มันโบราณะคือเรื่องเก่ามันเสร็จเชื่อไปแล้วไม่สามารถทำอะไรได้ไม่สามารถที่เปลีป่ยนแปลงอะไรได้เรื่องที่กำลังจะเกิดขึ้นก็ตามมาันก็ไม่สามารถที่เปลีป่ยนแปลงอะไรได้แต่ปัจจุ บ, บัน น, นเจ็นนดคือขณะนี้เดีนน๋ยวนี้เท่านั้นที่จะเปลี่ยนแปลงได้ปัจจุบันประเทศปัจจุบั น, นจ็ดเจ็เป็นปัจจุ บ, บันอาจารย์ที่เราจะให้กําหนดดูอาศัยการรัก คือสตินะพเพื่อคือสติสือการระลึกนึกถึงระึกถึงอะไรนึกแต่คนดีๆเอาไว้เบื้องต้นจากการนัง่งคือระลึกถึงคุณของผู้หญิงสาวคุณของพระธรรมก็อริยสงฆ์ทาําให้ป็นหนุกปฏิให้เป็นนิสัยคุณของพ่อแม่คุณของครูบาอาจารย์คุณของผู้ ค, คนการทํำมาจิตของเราจุกอกองที่มันดีๆเริ่องต้นจากคิดเรียกว่าคิดดีไปคิดดีแล้วก็ทําดีคือกําหนด เอากองนี้เข้าไปก็ต้องให้เป็นสันตติด้วยถ้าไม่สันตติมันขาดช่วงมันไม่ต่อเนื่องมันก็ไม่เกิดอะไรผลขึ้นมาเดี๋ยวสันตติเป็นตัวสําคัญเดี๋ยวความเพียรนี้เป็นตัวสำคั ญ, คญบรรลุสุดท้ายผู้เจ้าตรัสเอาไว้ง่ายๆสั้นๆว่ารับพิสุในธรรมวิ น, นัยนี้ผู้เจ้าไม่ได้ไม่ได้เรียกว่าศาสนา แตใช้คำว่าในธรรมมไหนนี้ก็คือศาสนานี่ยแหละคือศาสนาของเราแต่ผมไม่ได้ใช้คํานั้นแต่ใช้คำไปสู่ในธรรมมไหนนี้ถ้าตักการความจเจริญแห่งจิตของก้าวหน้าแห่งจิตการกระชี้แห้ดูว่าโน่นต้นไม้โคนไม้มันยังว่างอยู่โน่นเรือนที่มันยังว่างเปล่าอยู่ป่าที่เป็นที่เปลี่ยวอยู่เธอ ตรงทําความเพยียนในทีนน่นั้นอย่างต่อนเนื่องอย่างสม่ำเส ม, มอความเพยียนอย่างต่อนเนื่องอย่างส ม, ม, ม่ำเสมอนี้เลยจะเป็นเครื่องเผากิเลสถ้าทาให้เผากิเลสเพราะนั้นคนใช้คำว่าอาตาปีแปลว่าความเพลยนจากกิเลสให้ร้อนตอนนี้กิเลสมันเย็นกิเลสมาครองเรากิเลสมาเหนือเรามันครอบงำเรา เราไม่เคยเป็นผู้นํามันมีแต่มันนําเราก็จะเห็นกิเลสมันเคยสบายมันเคยคข้าับมาก่อนมันก็จะร้อนมันร้อนตรงไหนร้อนที่กายเรามาเกิดกายแล้วเกิดความร้อนความเพียรอย่างต่อเนื่องนานกายมันลาเรืองลำบากมาจะเนาะความร้อนก็คือธาตุที่มีอยู่ทั้งสี่คือดินน้ําไฟลมมันจะลําบาก มันจะปั่นป่วนไปหมดในร่างกายนถ้าต่อเนื่องเป็นเวลานานๆอันเป็นเหตุให้เราเห็นธาตุทั้งสีนี้ชัดมากขึ้นคือเห็นว่าเป็นดินเห็นว่าเป็นน้ำเป็นว่าเป็นไฟเป็นแล้วเป็นลมที่ไม่อยู่ในร่างกายอันนี้ตราไปแยกออกว่าอันนี้คือดินน้ำอะไรอยู่ที่ว่าอันไหนมันชัดในแต่ละวัน มันไม่เท่ากันแต่ที่แน่ๆถ้าโดนคอมพิวเตอรมันเผามันร้อนแน่นอนคือตัวเราอนะร้อนคือธาตุทั้งสี่มันร้อนเราจะเห็นว่าก็เราก็จะแ ย, ยกว่าหนึ่งเงนะปิดีินหน้าไปนอกจาก น, นั้นที่มีตามมาที่เป็นรูปเสียงกลิ่นมันก็จะชัดเรื่องรูปก็จะชัดเจนเรื่องเสียงก็ชัดเจนเรื่องกลิ่นก็ชัดเจนคือเร็ว มันรับรู้เร็วด้วยความที่มันรับรู้เร็วนี่เองถ้าสติไม่พอเป็นเรื่องที่อันตรายเช่นเสียงถ้าเสียงดีคงไม่เป็นไรเกิดเสียงแล้วมันไม่ดีมากระทบเกิดเวทนาคือมันสวยอารมณ์นะแล้วมันรับไม่ได้รัระอันตรายถ้าสติไม่พอทุกอย่างกล่นก็เหมือนกันมันจะตามมาด้วยความ พอใจไม่พอใจชอบใจไม่ชอบใจแล้วเราก็จะอยู่กับความพวกนี้ไม่ได้ถ้าอยู่กับความชอบใจมันกลายเป็นโมหะคือหลงถ้าอยู่กับสิ่งที่มันไม่ชอบกระทบะมันไม่ชอบเลยมันฟุ้งซ่านก็เดือดร้อนคือทั้งเดือดทั้งร้อนมันไม่นิโระคือมันไม่ดับนี่คือความหมายาะกรรมอ น, นั้นมันไม่ดับกรรมกับสิ่งที่เรากระทานั้นมันไม่ดับ มันไม่ได้โรธะมันไม่ไดับเมื่อไม่ไดับก็แปลว่ามันติดอยู่มันเป็นอยู่มันปรากฏอยู่สุดท้ายผู้เจ้าเราต้องปราบอะสิ่งเหล่านี้ถ้าจะปราบสิ่งเหล่านี้ได้เบื้องตอนน้นก็คือชำระตัวเองกําหนดตัวเองให้ไม่ร่างกายเป็นปกติปกตกิคืออะไรคือศิ่ก็สิ่งเข้ามาท่านคือปกติศี่งเข้ามาคือเย็นนี่คือความหมายคำว่าศิ่งถ้าเราไม่ปกติเมื่อไหร่เส่นตากไม่ปกติละ หูวก็ไม่ปกติการกรจะทำอื่นจำไม่ปกติคือผิดมนุษมานาเขาจินเวล า, วล า, าก็โปรแต่ร่างกายมันไม่ปกติมันอยากทำลายมันจะทําลายจิตมันฟุ้งซ่านมันไม่อยู่กับปัจจุบันก็แปลว่าในขณะนั้นจิตมันไม่อยู่กับปัจจุบันถ้าเราไม่เคยฝึกเราก็เะลิดเปิดเปลืองไปเรื่อยเราก็เป็โทษเหตุปัจจัยอะไรก็ไม่รู้ ใจภายนอกไปโทษนั่นนี่นู่นไปเรื่อยโทษการโทษเวลารทษวันสถานที่บุคคลไปเรืยโดยที่ไม่โทษตัวเองโดยที่ไม่ทำเนี่ตัวเองก็คือไม่บอกตัวเองถ้าพูดง่ายๆคือไม่เห็นตัวเองนั่งอยู่โทษโทษแท้ๆมันไม่เห็นตัวเองก็คือกิจอาการคือพฤติกรรมของตัวเองนั่นเองเรียกว่าไม่เห็นตัวเองเพราะฉะนั้นทําตัวเองให้ปกติก่อนก็คือสิ่งนั้นเองรอบทวนว่าสิ่เรา ชำระศินบริสุทธิ์หมดจดสินเสร็จแล้วก็เพราะจิตใจไม่มั่นคงมันวอกแวกวันไว้ไปตามสัญญาหอามที่มันรกระทบปฏิฆะมันไม่เกิดเป็นสมาธิถ้าเป็นปัจจะสมาธิชั่วครั้งชั่วคาวจะมีอะไรสองมากแม้จะเป็นขันนิกะสมาธิคือช่วครั้งชั่วคาวเช่นง่วงเงาหอนอนสะประกอบแป๊บหนึ่งคือนขึ้นมาอย่างสดชื่นเลยแค่นี้เดียวสุปฏิระสมาธิมันนานหน่อย แล้วต้องมีสตินะคณิกะสมาธิมันมันขาดสติไปชั่วครั้งชั่วคราวเนี่ยพอรู้ตัวขึ้นมาก็รู้ว่ารู้สะประกรู้วง่วงแต่ก็ยังดีนี่คือคณิกะรู้ปัจจระเระนี่ยมันสงบแล้วมันรู้ตัวหรือเข้าไปตั้งมันปัจจระ เ, ราะเขาเดทว่ามานในเสิ่เหล่านั้นที่เราประพฤติเราปฏิบัติเท่านั้นสุดท้ายคืออปปนาอันนี้ยาวเลย มันจะไม่รับรู้ข้างนอกหมายคือว่าเวทนาสัญกาตญาณวิญญาณที่อยู่สี่ตัวข้างนอกมันจะไม่รับรู้อะไรมันเหมือนอยู่คนละพบมนคนละฝั่งคนละโลกซึ่งเป็นโลกที่เราจะไปข้างหน้านั่นแหละแต่ไปเป็นโลกที่จิตสงบแล้วมันจะไปดีกว่าไปสูงกว่าแต่มันก็ยังติดควาสงบอยู่นั่นแหละติดอั ป, ปนาตัวที่ไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นจิตที่มันสงบอย่าคณะอัปนามันจะไปไหน ท่านมันติดอยู่ในรูปคือไปที่รูปวิติอารูปคือไม่มีรูปมันเคยไปที่รูปละเอียดคือรูปของมกอารู ป, ปรขอมผมนี่คืออัปปนาสมาธิแต่ที่สําคัญคือมันไม่เกิดปัญญาไม่สามารถจะเกิดปัญญาเรียนรู้ใดใดได้ผลเจตที่มันถอนเอาวางใจที่จะมีกําลังใ น, นการอุปจารสมาธิก็ค่อยพิจารณาพิจารณารูปพิจารณานาำ น, น, น, นี่แหละที่มันอยู่ ที่เป็นปัจจุ บ, บันคือเวลานั้นขณะนั้นเดี๋ยวนั้นเวลานี้เดี๋ยวนี้ขณะ น, นี้มันถึงีะเป็นประโยชน์แต่ถ้าไปดู่รูปก็เป็นอดีตไปแล้วมันจบแล้วเ อ, อมันรูปเก่าบอกแล้วปบราณะมันเก่าแล้วมันไม่ได้อัปเดตแล้วมันของเก่าไปแล้วมันเห็นจริงแต่มันของเก่าให้อยู่กับของปัจจุบันที่เป็นปัจจุ บ, บันนี้ที่เป็นรูปทําไมถึงดูรูปก็เพราะว่ามันต้องมีที่ยึดยที่มัณฑปัน้น จึงเรีวอุปาทานเราจะได้รู้ว่ามันอุปาทานเรื่องอะไรจิตของเราเนี่ยมันยึดอะไรมาถึงจะได้รู้ถ้าไม่มีรูปคืสีตัวคือเวทนาจิตญาณกายัรรคเมื่อจิตมันอยู่อย่างนั้นนะมันออกจากนี้มันไม่มีรูปมันไม่มีรูปเป็นที่ตั้งเขาเรียกว่าปล่อยวางไม่ได้คือมันปล่อยท่าสี่กันห้าอนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นจิตกลับมาที่รูปผู้พิจารณญเห็นว่าเอาที่รูปวันนนาม รูปคืออะไรคือดินน้ไนาไบล้มน้ำคืออะไรสีตัวคือเวทนานจารนิการซึ่งมันอาศัยรูปนี้อยู่อาศัยบ้านนี้อยู่อาศัยร่างกายนี้อยู่เมื่อเรากำหนดได้อย่างนี้แล้วกําหนดรูปกําหนดนางรูปชัดเจนแล้วว่าความเป็นไปของรูปเริ่มต้นจากชาติชาตะเกิดันเกิดขึ้นแล้วพอก็ชร า, าคือมันค้างค่ามันจำรุดสุดโสมตามลําดับ ชาติฉราดพยาธิมันก็มีพยาธิคือโรคภัยไข้เจ็บไม่มีใครไม่มีโรคใี่ไหมจะปรากฏหรือไม่ปรากฏก็ตามทุกคนมีโรคทั้งหมดต้มีโรคจะมีมากมีน้อยหรือไม่ปรากฏทำในเองมีความโชคดีนี้บอกว่าความไม่มีโรคเปลาอับเสริฐอ่ะมันมันไม่ใช่ละมันใช้ไม่ได้นะมีทุกคนมันที่เราพยติแล้วสุดท้ายก็คืออยู่ไม่ได้คือมรณะ คือเปรีสุดท้ายคือตายถามว่าอะไรตายตอนนี้มันไม่ไมีความรู้เลย ก, ก็ไปกลัวความตายก็าตายแล้วก็ยังสงสัยว่าตายแล้วจะไปไหนคือไปสงสัยกรรมอะไรก็ไม่รู้แต่กรรมที่ปัจจุบันเราไม่สนใจแต่ถ้าเรามั่นใจในตัวเองว่าในขณะที่เรามีชีวิตยอยู่เราเป็นผู้มีความเพียรความพยายามเป็นผู้ปฏิบัติ เป็นผู้มีศีลที่สำคัญคือมีทำต้องย้ําว่ามีไม่ใช่รู้ทำคนมีกับคนรู้คนละเรื่องเคยพูดอยู่เสมอคนมีทำกับคนรู้ทำคนละเรื่องคนมีส ต, ตังกับคนรู้จักสตังคนละเรื่องมันไม่ไเกี่ยวกันคนละเรื่องเลยเพราะฉะนั้นคนที่รู้จักสตังเยอะมีเยอะมากแต่คนมีสตังที่ในกระเป๋ามันมีน้อยคนรู้จัดทำก็เยอะ ยีปัจจุบันเยอะแยะมากมายพวกขันเจ้าเจ้าสองภาษาสามภาษาห้าภาษาขันทุกบ้านทุกเมืองขันแอกนี่แอลัวไก่บ้านไก่ป่าอันนี้คนรู้ทำแต่คนมีทำน่ะถ้าจะพูดน้อยพูดที่เป็นประโยชน์พูดที่เป็นสาระแต่พวกจังจะเองของพุทธเจ้าเป็นหลักถ้าจะไม่แสดงตนแต่จะแสดงธรรม แสดงตนก็คือโอดคุณที่มีอยู่ในตนส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนั้นถ้าเป็นอย่างนี้ก็พิจารณาไว้ก่อนเนาะอันนี้คือแสดงตนไมไ่แสดงธรรมที่ต่างกับผู้ที่เจ้าเลยผู้เจ้าไม่ได้แสดงตนเวลาแสดงธรรมแสดงแต่ธรรมล้วนๆธรรมคืออะความจริงธรรมชาติที่เป็นอยู่หรือพูดอยู่เสมพผู้เจ้านะั้เวลาท่านพูดพูดความจริงเพราะฉะนั้นสิ่งที่พระองค์ฝากให้พวกเราก็คือหนึ่งให้เราอยู่กับความจริง สความจริงนั้นต้องเป็นประโยชน์สามคือดวงตนอยู่อยู่ความมีสติโอมุกข์อย่างนี้นี่คือคุณสมบัติของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเอาเป็นยบเทียบเป็นอย่างเดินตามรอยของพระองค์จริงก็คือเราต้องอยู่กับความจริงให้ได้ถ้าอยู่กับความจริงไม่ได้มันก็ตรงกันข้ามอยู่แต่เรื่องเทชจมันช่างไม่ใช่เรื่องจริงแลเรามาถามตัวเองว่าทุก ว, วันนะ้เราอยู่กับความจริงหรืออยู่กับความเท็จ คือความไม่จริงนั่นคือผลขวกมันเพวัะ น, นั้นอยู่ความจริงไปแล้วความจริงนันเป็นประโยชน์ต่อเราไหมบางอย่างมันจริงอยู่แต่มันไม่เป็นประโยชน์เป็นต้นไม้สายน้าําภูเข า, ามันเข้าจริงเหรเข้าอย่างนั้นแต่มันไม่ เ, เกี่ยวอะไรกับเรามระโยชน์อะไรกับเรามันก็ไม่ เ, เกิดประโยชน์ความจริงที่ปรากฏอยู่กับเราเท่านั้นที่เป็นประโยชน์กับตัวเราเอางแต่ตัวตัววัดว่าประโยชน์ไหมประโยชน์คือสติ ระวัง่ทุกความีสติฝึกตัวเองให้มีสติอยู่เสมอมันก็จะทำอะไรก็ตามจะพูดก็ตามจะคิดก็ตามจะรูมร้มาก็ให้มีสติเพราะนั้นการฝึกสติจะเป็นเรื่องสำคัญสำคัญมากๆสำคัญที่สุดถ้าเราเรียนระดับก่อนอย่างนี้ได้เนะเราจะเข้าใจเมื่อการปฏิบัติของเราแต่ละครัง้งแต่ละหุน ตัวชีว่าเราสมมติว่าเราอยู่กับโบราณธรรมคือเรื่องเก่าๆพูดง่ายๆธรรมะเรื่องเก่าธรรมชาติเรื่องเก่ายิ่งหมดแล้วจบแล้วยังไม่เคยอย่างนี้ก็เรียกโบราณธรรมเราก็จะอยู่กับเรื่องเก่าๆมันก็อยู่กับเมื่อวานแต่นึืงถึงอาหารเมื่อวาน อ, าารอร่อยมันก็อยู่กับเมื่อวานมันไม่เกี่ยวกับวันนี้ไม่เกี่ยวกับเดี๋ยวนี้เรียกโบราณธรรมจิตมันก็มีสติขึ้นมาอมไม่เกีบบ่ยวปัจจุบัน เอาที่เป็นปัจจุบันที่เป็นปัจจุบันนรรทำปัจจุบันแล้วก็ดูความต่อเนื่องความสัน ต, ติของมันมเราไปสติต่อเนื่องเรื่องนี้นการต่อเนื่องของมันเราก็จะเห็นกระบวนการของมันตั้งแต่ต้นจนจบอย่างนี้แหละถ้าใครเห็นเรื่องเหล่านี้บ่อยๆเป็นประจำเป็นเรื่องเราเรียกท่านผู้เห็นสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นใจรั เห็นลักษณะสารยางคือเห็นลักษณะของการเกิดขึ้นของมันดับลงอยู่ของมันและการดับไปของมันนี่การเห็นของเรานี้ถ้าเห็นเร็วดับเร็วเป็นประโยชน์มากที่สุดเห็นเร็วอยู่แตด่ดับช้าหน่อยมันก็มีประโยชน์ในระดับกลางแต่ถ้าไม่เห็นเกิดขึ้นไม่เห็นไม่เห็นการดับของมันเลยมันไม่ได้ประโชน์อะไรเลยมีแต่เผาแล้วก็ทําลายตัวเองและทําลายผู้อื่นด้วย ก็หลักันนะพอไตละกนั้นการปฏิบัติของโปรดต้องการให้เราเห็นลักษณะอย่างนี้คือเห็นการเกิดเห็การดับของมันให้เร็วที่สุดของสรรพสิง่งสรรพสัตว์ในโลกนี้กเรือสรรพสิพส่งคือขอที่มันเกิดขึ้นแต่มันไม่มีวิญญาณเรือสรรพสิพส่งเช่นภูเขาต้นไม้สายน้ําอันนี้เขาไม่มีวิญญาณเรือสรรพสิพส่ง อย่างสับสับประศาสพวกเราเนะี่ยต้องหมดต้องต้องพวงถ้าเห็นสับระเสริงสับประศาสทั้งหมดทั้งพวงโ ด, งงดยเห็นความเกิดขึ้นตั้งยต่การดับไปก่อนเห็นได้ไปที่มาทีนี้อย่างพวกเราเนี่ยเนื่องจากก็เห็นก็คือเราไม่มีความรู้พิเศษความรู้พิเศษก็คือไม่สามารถจะร่วงรู้ชีวิที่ผ่านมาทั้งหมดไม่สามารถจะต้องรู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นข้างหน้าปัจจุบัน เรีวยว่าณความพิเศษส่วนผู้รู้ผู้รู้ถ้าจะรู้กำหนเจะทั้งนัจะรู้ว่าเออเรื่องมันเป็นมาอย่างนี้เรื่องเราเป็นอย่างนี้มันถึงเป็นอย่างนี้พูด ง, ง่ายๆคือมันมีเหตุปัจจัยเหมือนตอนนี้กําลังจะฆ่ากันตายอย่างนี้ตั้ถูกฝ่ายก็ช่วยกันส่งเสริมยุยงสนับสนุนเอาอาวุธยุโทโธปกรณ์เพื่อ ย, ยื่นให้ผ่านประหารซึ่งกันและกัน เพื่ออะไรก็ไม่รู้มันต้องมีเหตุปัจจัยของมันและที่อื่นทําไมเขาไม่มีทําไมก็าไม่จะเป็นเหมือนบ้านเมืองเราไม่เห็นเหตุปรตโป๊ตขนาดนั้นเดี๋ยวเป็นคนประเภทนี้เท่านั้นนะกลุ่มนี้เท่านั้นที่มันเป็นอยู่อย่างนี้พร้อมที่เหตุปัจจัยมันจะเป็นอย่างนั้นแต่เรามองไม่เห็นไม่รู้ไม่เห็นเหตุปัจจัยเหล่านั้นก็มันจะเกิดอะไรขึ้นหลายอย่างที่ครูอาจารย์ท่านเล่าว่า ในอดีตชาติขอคุณนั้นคนนี้คุณนู้ น, น, นอย่างเช่นเนะาบอกคนเนี้ยเมื่อก่อนได้เป็นฤาษีที่ประเทศพามา่าซึ่งเรียกประเทศอะไรก็ไม่รู้เป็นฤาษีมาหลายชาติก่อจะมาอยู่บ้านเราเห็นไหมไปพบพ บ, บ, บ, บชาติบ้านเราพุทธศาสนาก็จริงแต่เผอิญเป็นรำรงตนเป็นฤาษีพวกนี้ก็จะติดฌานเป็นสมาธิก็เป็นเรื่อง ป, ปกติของเขา เพราะเขาดรงชอยู่ด้วยกันเข้าฌานอยู่กับฌานสงบอันสบายคือดับเหมือนก็เอาหินก้อนเห็นมาทับยาไว้มันก็สงบมันรงับมันดับได้อยู่แต่พอเจ็ดถอนออกมาหรือว่ายกหินออกมามันก็เหมือนเดิมมันก็สามารถเจรรับรู้ออกข้างนอกนด้เหมือนเดิมแต่ของเราเนี่ยให้เรารู้ในขณะที่เรามีสติให้รู้ผัสสะ ค, บบคือสีมากระทบตัวเทวาที่เกิดเวทนาคือเสวยอารมณ์ว่าศพทุกหรือว่าเฉยๆแล้วก็วางรนนันได้ตามปกติของเขาอันนี้คือฝ่ายเราส่วนฝ่ายฤอษีที่ฝ่ายเขาแค่เขาดิโรดคือดับคื อ, ขอเขาชานแล้วเขาาก็ะเดิดอยู่แค่นั้นหลุดจานั้นไปไม่ได้เรื่องของได้ผู้เจ้าเราทําได้ตั้งแต่เป็นคราวาสถ้าเป็นของดีผู้เจ้าคงสอนพู้เราแล้ว คงแน่วนพวกเราให้ทำแล้วเป็นพวกองค์ม่ได้นะแต่ต้องบอกว่ามันก็เป็นพื้นฐานอย่างดีคืออย่างน้อยที่สุดก็คือถ้าเราไม่สามารถจะไปไหนมัไหนไกลกว่า น, นี้ได้ถ้าจิตอยู่ในองค์ของฌานสวยชคานได้ทรงฌานได้มันก็ไปที่ดีกว่านี้แต่มันก็ไม่หมดไม่พ้นกลับมาอยู่ดีมันสวยเป็นนี่กลับมาที่เดิมไม่ไปมาเพราะฉะนั้นภพของมนุษย์ชาติของมนุษย์ อ, นนอนนันนี้โลกของมนุษย์เนีน่ยเป็นโลกกลางๆ เราจะไปต่ำกว่านี้ก็ได้ไปสูงกว่านี้ก็ได้หรือถ้ามันพ้นจากสิ่งเหล่านี้ก็ ไ, ได้นี่ยความวิเศษมันจเป็นอย่างนี้เพราะนั้นพวกเราอยู่ในฐานะที่เราสามารถที่จะเลือกหรือว่าพ้นจากสิ่งเหล่านี้ได้ภพอื่นเขาไม่ได้เหมือนอย่างเราเ ท, ทเทวดาเขาทาอย่างเราไม่ได้พูดง่ายๆก็คือมันละตอนปล่อยวางท่าศีกันห้าอันนี้ไม่ได้เพราะอยู่กับความฟาน อยู่กับภาพที่ละเอียดอยู่กับรูปที่มันละเอียดแล้วก็ติดอยู่จันั้นแค่สวยสวยแค่นักคิดมันก็สวสดิ์แล้วตามเป็นนักคิดคือเวทนาคือสวยอารมณ์ไม่จะเป็นเรื่องสุขเรือทุกข์ก็กกตามเขาก็าสวยอารมณ์เป็นนอกก็เช่นเดียวกั น, นอื่นๆเช่นที่พบอื่นมันไม่มีอย่างพวกเราไม่มีนมหนทางอย่างเราพวกเราได้เลือกได้เลือกต่ําว่านี้ก็ได้เลือกสูงคนนี้นะเลือเฉยๆไปเลยก็ได้นี่มีความสําคัญ ดังนั้นพเราถือว่าโชคดีความเป็นคนเป็นมนุษย์และความโชคดีเนี่มันไม่ได้อยู่นานมันไม่ได้อยู่กับเรานานนะเวลาที่ตั้งไว้เป้าที่ตั้งไว้มันแค่หนึ่งรยปีโดยประมาณอันนี้เคยให้มากที่สุดแล้วนะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วมันไม่ถึงร้อยปียติน้อยถึงน้อยมากๆ มากกว่าเจ็ดสิบแดสิบเป็นที่เก้าสิบเฉลีย่ยเพราะนันอายุของมนดดุษย์โดยเฉลีย่ยคือเจ็ดสิบห้าท่นเองโดยเฉลี่ยของมนุษย์คือเกณฑ์เจ็ดสิบห้าก็ไปแล้วพอเราลองนุกดูแต่ละกลุตอนนี้เท่าไหร่แล้วสา4สิบ6ี่สิบ้าสิบกสิบเจ็ดสิบห้ามันใกล้หรือยังมันใกล้เจ็ดสิบห้ารือยังใกล้เกณฑ์หรือยังมันจะได้ไห่ประมาณ โอปนายโกเอาน้อมเข้ามาให้โยงที่ปัจจุบันและปัจจุบันธรรมนะเก็ไปอยู่ที่ปุรานธรรมนะเก็ไปอยู่กับเรื่องเก่าเรื่องแก่เรื่องอดีตมันไม่จบไม่สิ้นมันจบไปแล้วหมดไปแล้วมันดีไปแล้วมันชั่วไปแล้วเพกูจะวางมันให้อยู่ปัจจุบันเดีอันนี้กับนี้กับอันนี้ให้อยู่กับเรื่องเกาเรื่องให้มันมากเกินทัดทีไมากได้แต่ที่สาคัญคือให้เห็นรูปนามนี้แล้วก็เข้าใจรูปกับนามนี้แบบอันนี้คือรูปนะนี่คือนามนะ ว่าจะเป็นสุกหรทุกข์กรตามในการเกนทุกของรูปนะนทุกนามนี่มันสวยหรืออุเปกขะคือมันเพ่งอยู่มันวางอยู่ไมไ่สวยอารมณ์เหล่านั้นกับเป็นเรื่องที่ดีแต่มันยากจิตที่มันเป็นสมาี่วางอารมณ์นี้มันยากมันไม่ใช่ความ ง, ง่ายๆอย่ากรก็ตามพอเราเชื่อฟังพรูพุทธเจ้าเรื่องางพระพุเจ้าของเราพูดแล้วเป็นหนึ่งไม่มีสอง อะไรที่พระองค์แนะที่พระองค์นำนาก็ทำให้ดูพระองค์แนะก็คือบอกอย่างนี้นะชีวิตเราถ้าจะไปอย่าง น, นี้นะสารพัดวิธีการวิธีกรรมแต่แต่และวิธีนั้นบางเรื่องใช้ได้เฉพาะบคุคคลใช้ทั่วไปไม่ได้แต่ท่านโปรดคนนี้ก็ท่านรู้เรื่องเก่ารุ่นแก่ของคนนั้นในบทประชานในดีตชาติ ขอคุณนั้นเป็นอย่างไรนิสัยใจคอเป็นอย่างไรพื่ง่ายคือบารมีธรรมคือประพฤติปฏิบัติมาอย่างไรแล้วก็มาต่อยอดมาต่อมาเพิ่มมาเติมก็เอาที่ใส่เดิมมาแหละมาจี้ดืวยข้อมีนี่ใสอยู่แล้วเพื่อเติมมาเข้าใจมากขึ้นอย่างนี้เป็นต้นเพราะว่าท่านรู้เรื่องเก่ามงจบไปแล้วจะต้องทําอย่างไรไม่จกิดเสพไหวอารมณ์ดูต่ออารมณ์นั้นนั้นนั้นผู้เรา กานหลายภาษาการนี้ือวันพระนาก็จะออกภรษาแล้วสามเดือนสิบสองวันที่เป็นวันพระตามีเยอะไหมก็ไม่ได้เยอะแต่ถ้าเราทำได้แม้แต่วัวนพระช่วงน้อยก็คือไหวพระสมทานศิลเจริญสมทิดได้ที่สำคัญคือฟังเทศฟังธรรมแล้วก็นนำไปปฏิบัติไปคบคิด พิจารณาทั้งหมดทั้งมวลเป็นกระบวนการแล้วก็ให้ทําเป็นนิสัยอยากทาศักริวยว่าทําพอขี้เกียจว่าเดี๋ยวก่อนรอ ก, ก่อนปัดปันประกันพุทนั่นก็นไม่อยู่ปัจจุบันรอประมาททาทุกวันวันไหนก็ได้แต่ที่สำคัญคือการภาวนาเป็นได้ทั้งวันทั้ง ว, วันคืนตับตาลืมตามันเกิดปัญญาทั้งนั้นเพราะว่าการปฏิบัติของเรามุ่งไปที่เกิด ปัญญาเพื่อตัดสัญญาให้มันน้อยที่สุดทุกวันเราใช้สัญญาเยอะไปมันจะกลายเป็นเชือกมัดตัวเองคิดแต่ละครัง้งแต่ละเรื่องคิดยาวขนาดนนั้นนั่นคือเชือกมัดตัวเองคิดเรื่รงองเก่ารกขึ้นเรื่องมันเกิดมาแล้วมันเป็นมาแล้วก็เชือกเส้นเดิมมาและพันตัวเองก็ไปเองมัดตัวเองก็ไมัดแก้ไม่ได้เลือกพันธะหรือโูก ลอยรัดมัดตรึงคล้องตัวเองคือกิเลสนั่นแหละเหมือนร้อยรัดมัดตรึงเอาตัวเองสุดท้ายก็เดินไม่หลุดตักิเลสมันวัดไปเราก็ไม่แก่แล้วก็ไม่คลายเพรดังนั้นตัวที่จะป้องกันไม่กิเลสมันร้อยรัดมัดตัวเองก็คือนี่แหละสิริปัิปัญญาตัวชีวัตที่สำคัญก็คือสังโยตเป็นตัวบอกเมื่อเมื่อสิ่งเหล่านี้มันพร้อม สังโยชน์ก็คือข่าต่อไปที่จะค่อยละทีละอย่างสิบข้อสิบเรื่องแต่เบื้องต้นจิตใจเรา ม, มั่นคงในพรรัฒนาัจนี่คือนนนนนบนรดขัารแรกไม่ว่าวนไหลไปตามสัญญาอารมณ์อื่นๆตระกยาทิฏฐิคือตัวนี่แหละตนคืออัตตานี่แหละตัวไงระกยาทิฏฐิเข้าใจรูปนาม ชัดเจนอยากรวมอยากนามแลาคนชัดเจนสักกะะติวิจิกิจฉาความลังเลความสงสัยในพระตาใจตอนนี้มีข่าวเยอะแยะว่าพุทธเจ้าไม่มีจริงหรอกอุปโลกกันขึ้นมาก็ยังมีอยู่คนที่คิดระดับนี้ไม่ใช่เด็กๆคนมีความรู้ขอามคิดแล้วตกเปลึกแล้วมันนึกไม่ออกสุดท้ายก็บอกว่าออกเลยเหมือนกับบางคนเชื่ออันนี้ไม่ได้ถูกกันนะ เป็นคำพูดไม่ใช่ผู้คองเราเราพูดแบบพระเจ้าไม่มีจริงหรอกแต่คนก็เชื่อเขาก็เชื่อแต่เราก็ไม่ได้ตัดสินว่ามีไม่มีที่ได้บอกคือความเชื่ออย่างนี้มันมีแต่บางคนไม่นับถือศาสนาไดเลยไม่เอาเลยศาสนาแต่และไม่นับถือปัจจุบันมีเยอะเยอะมากไม่ใช่โด ย, ยน้อยเนี่ยเปอร์เซนทีน่ไม่นับถืออะไรเลยเนี่ยเยอะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะคือตะวันตก เพิ่มขึ้นมากกว่าพวกเรามากๆ ม, มันนัถืออะไรเลยนับถืออะไรรับถือตัวเองคนเนี้ยถ้าเป็นภาษาเราคือนับถือกรรมนั่นแหละคือการการะทำของตัวเองแต่วันนั้นนับถือเลยมันก็ไม่ใช่มันก็ยังอยู่กับความคิดกับพูดการการะทําของตัวเองนั่นแหละจะเรียกว่าอะไรก็ตามจะเรียกว่าคนไม่มีศาสนาก็ไม่ใช่ เพราะยังมีความคิดอยู่มีคำพูดมีการกระทําอยู่ก็เรียกว่าคือกรรมนั่นแหละแล้วเป็นไงมันก็จะมีผลของมันอยู่เอยู่เป็นกรรมเก่ากรรมใหม่ราะนั้นกรรมเก่ากรรใหม่นั้นท่าที่ผู้จะตัดเป็นอย่างนี้ไม่ใช่อย่างที่เราเข้าใจกรรมเก่านั้นเรปลกผลของกรรมกรรมใหม่พอเราก็ไปตามไปแก้กรรมแก้กรรมคืออะไรไปแก้กรรมเก่าาพูดถึงเรื่องอะไรพูดถึงตาจมูกอย่างเงี้ยไปแก้ต่ตาแก้งแก่จมูก มันแก้ได้ที่ไหนมันเก้ไม่ไหนแก้ทิศกรรมใหม่กรรมใหม่คืออะไรความคิดกับพฤกษกรกําความคิดกับพวกษกรํานั้นนะดูตรงไหนเจตานาเจตานาจิตตะเจตานาคือจิตคือดูที่จิตเราเนี่ยแหละเจตานามันเป็นอย่างไรเหมือนเรารักษาศีลถึงแม้เราไปขอจากพระ เจตานาวันนี้ใคาจะงดเว้นก็จะไม่กระสตาชืาน้ น, นมาแล้วใช่คือเจตานาไม่เคยแก้แล้วโดยไม่ต้องไปข อ, อ ก, กับพระนี่ที่เจตานาทั้งอย่างเนี้ยความคิดกับพุกบางทีเราคิดเราไม่มีเจตานาท่านดูที่เจตานาเป็นหลักเพราะฉะนั้นเราสมัครใเจตานาคือเรางดเว้นด้วยตัวเองได้เกียววิรัติว่าเจตานาวิรัติคืองดเว้นโดยการเจตานา วิธีการรับศีลโดยที่ไม่ต้องของกับพระเรื่องเจตนาวริรัตคือมดเว้นด้วยกองเจตนาเนี่แหละซึ่งสมมติเราทําได้หรือฉี่ไหนก็ทําได้วันไหนก็ทําได้เพราะฉะนั้นทั้งอย่างความคิดคำพูดนะเจตนาดูที่เจตนาใช่นนี้เราจะไม่มีความไม่ตกกังวลคือปริโพุธบางคนที่ศิลแล้วก็ไปปริโพุธปริโพุธอะไรปริโพุธหรือปบราณกรรมคือเรื่องเกา่าพูดง่ายๆเอ่ทำอย่างนี้ มันจะเป็นยังไงเนะี่ยไปองค์กรเรื่องเก่าซึ่งมันจบไปแล้วนะอันนี้คือผิดหลักผิดหลักเพราะผิดหลักทําไมบอกผิดหลักว่าคิดแล้วตัวเองเดือดร้อนนะอ่ะเพราะนั้นหลักก็คืออะไรก็ตามถ้าเราคิดแล้วพูดแล้วทําแล้วเดือดร้อนนั่นมันไม่ใช่ทางายแส้งเราคิดอย่างนี้มันเดือดร้อนก็อย่าไปคิดต่ออย่าไปพูดต่ออย่าไปทาต่อนี่คือดับคือนิโรธนิโรธมันดับอย่างนี้ถ้าไป ต, ต่อต่อมันก็ไม่นิโรธละมันก็ไม่ดับ ไม่เห็นความดับของมันนะอย่างนี้ปัญญามันก็จะเกิดเพราะสุดท้ายไปทางมุ่งให้เกิดปัญญาผู้เจ้าสอนเราให้นั่งอยู่ยืนอยู่เดินอยู่สุดท้ายต้องนึกได้ตนเองคิดได้ตัวเองเกิดปัญญาปัญญารู้แจ้งเห็นจริงคือรู้ของจริงแนละ้วตามกฎเป็นจริงแล้ก็ปล่อยเขาอยู่อย่างนั้นวันเดือนปีกลางวันกลางคืนคนนั้นดีคนนั้นชั่วก็ไม่เกี่ยวอะไรกับเราก็เรื่องของเขา นี่เขาเรียกว่าวางรู้จักวางทุวนเราไม่ใช่รับไปแบกคนอื่นไปแบกความสุขของคนอื่นไปแบกความทุกข์คนอื่นเป็นของตัวเองเ น, เนี่ยอัตตราอันตรายตรงนี้สุดท้ายก็สิ่งที่แบกมาทั้งหมดอันนี้เรียกว่ามันยึดมันถือถืออะไรคันนี่แหละขันตัวเองกันผู้อื่นขันสี่กันห้าขึ้นรูปนามนี่แหละเพราะวางไม่ได้อถอนไม่ได้ศั ก, กระยตีก็ยังอยู่เต็มเต็ม มันละทอนปล่อยวางไม่ได้อย่างคอยู่ตรงนี้ปัศญักกะยะมันคือสามารถปล่อยวางเสิ่งเหาได้บันไดครั้งแรกกอย่าไปหวังเลยจะจะไปเหยียบขึ้นต่อไปยอนไปข้างหน้าไม่มีทางเลังนั้นถ้าใครอยจะเหยียบบันไดครั้งแรกได้ต้องฝึกเหล่านี้เยอะๆก็จะรั่กับน้ําเยอะๆแล้วก็รูปในรูปของเราเท่านั้นจะรูปของอื่นแล้วรูปของเราต้องเข้าใจว่ารูปเรามันรูปชั่วคราวนะ มันชีรูกทาวอนเดี๋ยมันก็แตกเดี๋ยมันก็ดับสุดท้ายคือจริงมันไม่มีที่เรียกว่าอะนัดต่างนี่คือใจรักมองมัเป็นใจรักทุกอย่างเข้าใจตัวเองได้ก็เข้าใจคนอื่นได้เพราะคนอื่นก็เหมือนกับเราเราเหมือนคนอื่นกระบวนการเดียวกันไม่ได้แตแกแยกแตกต่างกันเลยเหมือนที่พระุเจ้าทันปฏิบัติเรารูแจ้งจริงๆด้วยพระองค์เอง กคือกระบวน ก, การอันนี้นั้นสุดท้ายปลายทางคือไตรลักษณ์เห็นกระบวน ก, การเหล่านี้เจ็ดปันเห็นกระบวนการเหล่านี้ได้เนี่ยถ้าเรื่องไหนที่ผ่านกระบวน ก, การเหล่านี้ได้คือเราเห็นรูปเห็นนาม ค, านคําว่าเห็นนั่คือกําหนดเป็นเห็นรูปคําว่าเห็นในตอนนี้คือเข้าใจด้วยปัญญาของตัวเองว่าอันนี้โอนนี้เป็นเรื่องของรูปนนี้คืนอนามอันนี้ เ, นเรื่องของธาตุเขาเลยบอก ก้อนเป็นก้อนเป็นก้อนเป็นกองเป็นกองก้อนธาตุก้อนทำมาเป็นก้อนๆอยู่เนี่ยเป็นพวงๆขึ้นเนี่ยเข้าใจในเสียงลอยได้แยงแยะกองกองกองกองอยู่นะั่นเรียก ว, ว่าขันที่มีห้ากองก็เรียก ว, ว่าขันขันห้าอยโู่ปกติของเขาวันหนึ่งก็ ก็คืย่อยสลายไปตามกาลเวลาแต่ตัวที่ไม่ย่อยสลายสี่ตัวคือเวทนาสัญญาจักรวิญญาณมันไม่ดับมันไปต่อแต่มันมันมีที่เกาะมีที่ตั้งมีที่ยึดคือรูปละเอียดนั่นหลยคือองค์ของฌานนั่นหลยมันยึดอะไรไว้มันเกิดจิตมันเจตนามันจินตนาการคือมันคิดอะไรคืออาการของจิตคิดอะไรมันก็เป็นภาพออกมาภาพนั้นเรียกภาพทางใจเราจึงเรียกว่ามโนภาพ คือภาพทางใจนั่นแหละคือส่วนที่มันก่อบกก่อชาติมันคิดอะไรมันก็คิดเป็นรู ป, ปแล้วมันก็แสดงออกมามันเป็นจําออกมาเหมือนกับพวกเราหลายๆสินก่อนก็อธิบายกับนวันนี้ว่าเรื่องปรึกจินตนาการคนตาดีคนตาบอดไม่เหมือนกันคนตาบอดเนี่ยเขาอยู่ได้เพราะจินตนาการเพราะเขหมองไม่เห็นภาพเขาไม่รู้เลยสมมติว่าช้าง ประจำว่าช้างลักษณะเป็นอย่างงี้ไงแต่ตัวจริงไม่เคยเห็นไม่รู้จริงหรือเปล่าก็บอกคน้าบอกก็จังไม่ฝวันเพไม่เห็นกิดกจินตนาการไม่ได้เพียงแต่ว่านึกอย่างนี้มันก็กเป็นภาพออกมาเพราะอยู่ด้ว ย, วยภาพพอมองไม่เห็นอะไรเลยตั้งแต่เกิดมมันมีภาพให้เห็นก็ได้แต่เออควายก็เป็นอย่างนี้นะวัวเป็นอย่างนี้นะ ไมได้จินตนาการรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงไม่รู้ซึ่งต่างกับพวกเราพวกเราเ ม, มื่อึืควายปุ๊บเราจะเห็นเลยเห่นอ้ามามีเขาตัวใหญ่ใหญ่ใหญ่กวัวปุ๊บบุบบัวช้างมา้ามีภาพออกมาทันทีเลย น, นี่เอาจินตนาการคือมโนภาพนั่นเอ ง, เองแต่คนตาบอดเขาไม่มีเห็นไหมมันถึงโชคร้ยนะมันจะไปละตอดปล่อยวางไม่ยินหนักก็ไปอีกพวกเราถึงบอกว่าโอ้โชคดีแต่คาาราประกันสะสมโชคดีมากๆเลย ถ้าเราไม่เอาความโชคดีอันนี้มาโอปนาอิโกน้อมยูความได้เปรียบรอะที่มีอยู่นี่ือไม่ต่อยอดมันติดไม่ได้อะไรพนอะมันเหลือสี่ตัวเมื่อไหร่คือเวทนาสัญญาการนะคือเจ็ดออกจากร่างเมื่อไหร่มีสี่ตัวนะถ้ามันจะติดอยู่ในรูปคล้องอยู่ในรูปนะมันก็ไปตามนั้นเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงทำให้พวกเราดูก่อนที่จะพรนิพพาน ก่อที่พระพิพันธ์ท่านก็จะทําให้พวกเราดูสําหรับคนที่ไม่ได้ฌานไม่มีฌานไม่เข้าใจฌาพนพูดง่ายคือปุถุชนคนธรรมดาก็าจะไม่เข้าใจเพราะนั้นจึงมีผูร้รู้พูดถามท่านอรุ ธ, ธาว่าตอนนี้ในขณะที่พระองค์เงียบไปแล้วพวูดอย่างไงหลังจาก บ, บทท่านสุพทธะเส่งเป็นสวคงสุดท้ายไปแล้วท่านก็เงียบก็คือเข้าสูธธ่กัน ท mi, ่านาก็เข้าฌานทัดเก็มผู้ชานาญใารู้ว่าตอนนี้ผู้เจ้าเข้าฌานที่1ออกจากฌานที่หน่ง็คือรูปฌานเข้าไปรูปฌานฌานที่1การนยวฌานทสาฌานที่สอรูปฌานที่1 2สาสี่ก็คือเวทนาสัญญาน่แหละจะเป็นภาษาเราอาจจะเรียกว่าเวทนาสัญญาณนิโรธแล้วก็ว่ากันไปแต่กระดับและสุดท้ายาท่านก็บอกว่าตอนนี้ พูทิเจ้ของเราออกแจกจานสี่คือรูปฌานอรูปฌาสนสัปปะแล้วผู้จ้างเรานิพพานแล้วเห็นไหมคือวางได้ปล่อยได้คือทําแล้วไม่เอาพูดย่ายง่าคือวางเสิ่งนี้ถ้าเจตมันวางเสิ่งเราได้ไม่ได้ในขนาดนั้นมันก็ไปตานั้นไปตัดเปอนรูปฌานอรูปฌานนั่นเองมันไม่ได้เป็นไหนแต่ก็ยังโชคดีนะที่ทําได้แล้วพูติเจ้พูดง่ายง่ายคือ ทำให้เราดูตั้งใจเ ก, กิดจนตายสอนพว้เรานี่สอนธรรมดาสอนทุกเรื่องคุณแล้วเราไม่เห็นใจผูเ้เจ้ามั้งหรือเราจะไม่เอาตามผูเ้เจ้ามั้งเลยหรืออจะน้อยปฏิปทาบางอย่างหรือความคิดคำพูดการกระทาบางอย่างหรือปฏิปทาโน่นอาจจะถอดแบบผู้เจ้าบ้างอย่างประสอ ง, องค์องคเลนพก็แม่กูบยานกับเราเช่นฉันมือเดียวเนี่ยเอาตัวอย่างผูเ้เจ้านะผูเจ้าฉันมือเดียว ทุกเรื่องในการปฏิบัติหรือปฏิปทาอื่นๆเราก็เอาตามผู้นิจเจ้าเพราะฉนั้นปิโซในธรรมวนถ้าจะเจริญได้จะธรรมวนี่ต้องปฏิบัติตัวอย่างนี้พระองค์ก็ใช้อย่างนี้พระองค์ไม่ได้บอกว่าเป็นศาสนาของพระองค์งนม่ได้จะของนะถ้าไม่มีเราแล้วก็คือทํากับวินัยนี่แหละเป็นศาสดาของผู้โดยทั้งหลายเพราะนั้นพวกเราปฏิบัติจุดวัวนะั่นคือปฏิบัติตามธรรมแล้วก็วินยัย ขอพระพุทธเจ้าที่วางหลักการหลักเกณฑ์เอาไว้ให้พวกเราไปนั้นให้พวกเราทต้องหลายได้เสนอเนื้อสนอตัวหลักการอันนี้คือทำคือธรรมะสองวินัยพูดอย่างไรคือศินต้องมีทั้งทรมมีทั้งวินัยแต่ถ้าเรามีทำแล้วเราเข้าใจเรื่องทำแล้วศินแทบมจะต้องเลยถ้าทำมันเกิดขึ้นมันจะเข้าใจแต่ถ้ามีศินอย่างเดียวมันยังจะเป็นอยู่ แต่ถ้าสองอย่างนั้นเกิดขึ้นคือเป็นคนมีสิ์นคนมีธรรมคาว่ามีในที่คือไม่ไม่ใช่คนรู้สินรู้ธรรมคนมีคือมีจริงๆคนมีสินมีธรรมมก็จะเป็นประโยชน์ต่อการเกิดเป็นคนของชีวิตนี้ชาตินี้มันจะคุ้งและพบชาติที่เรามีอยู่มันก็จะน้อยลงตั้งจิตเอาไว้อธิษฐานเอาไว้ว่า พระเจ้าจะทําให้ภพชาติที่มัอยู่ข้างหน้านี้ให้มันสั้นลงให้มันน้อยลงเท่าที่จะน้อยได้ไม่งั้นไม่มีเป้าหมายใดๆเลยชีวิตเราจะเคว้งคว้างไม่รู้ที่หมาที่ไปมันก็จะไปไปเรื่อยเปื่อยเอหมือนทุกวันนี้วันเดือนปีค่ำคืนแห้งเมืดสว่างอยู่อย่างนี้จะได้อเอาวัดตากเราคิเราก็จะวนอยู่นี้กานกระทำเขาจะวนอยู่นี้กับพูดเราก็จะวนเรื่องเหล่านี้ เรียกเรียกว่าวัฏฏะว่นอยู่อย vale> ่างนี mm. ้แหละเมื่อเราเป็นวิวัฏฏะคือมันเปิดมันตัดวงกลมอันนี้ได้กลายเป็นเส้นตรงขาดจากกันแล้วไม่กลับมาเหมือนเดิมแล้ววงกลมแล้วตัดแล้วมันจะเดียวว่าเป็นเส้นตรงมันไม่กลับมาเหมือนเดิมมีจิตใไปข้างหน้าไม่มีกลับข้างหลังหรือปัจจุบันจะเป็นวงกลมอยู่เรื่องของความคิดการพูดการกระทำวนไปเวียนมาอยู่อย่างนี้แหละมันจะเดียววัฏะมันจะวนวนความคิดกับพูดการกระทำ คือวัตถะที่แท้จริงไม่ได้เกี่ยวกับพวกภูมิชาติใดๆเลยปัจจุบันเป็นวัตะอยู่แล้วถ้าเราตัดสิ่งเหล่านี้ได้ก็ยากภูมิชามันเกิดขึ้นทุกขณะมันเป็นได้ทุกขณะเราก็เป็นได้ทุกอย่างศี่งสาระัสา์ก็เป็นได้จิตของเราเป็นได้ทุกอย่างอย่าคิดว่าเราเป็นคนเป็นมนุษย์เป็นพระนะบางขณะมันไม่ได้เป็นพระนะบางขณะไม่ได้เป็นคนนะอบางขณะมันเป็นไม่ได้เป็นมนุษย์นะจิตอะ แต่เราไม่รู้คือไม่ทันจิตเราไม่ทันสิ่งเหล่านี้เพราะนั้นอย่าประมาณถ้าเราเัวเองเออถ้าคิดพูดทำอย่างนี้มันไม่ใช่คนนะมันไม่ใช่พระนะมนไม่ใช่มนุษย์นะเนี่ยมันจะเป็นสติระลึกนึกขึ้นมาได้งนะจะเป็นผู้ปกครองตัวเองแต่ถ้าไม่มีสติเลยก็จะคิดพูดทําไปตามอำเภอใจตามอารมณ์ก็เป็นไปตามตามเรื่องตามราวเป็นสัตว์บ้างเป็นคนบ้างเป็นมนุษย์บ้างเป็นพระบ้างสลับไปอย่างนี้เหมือนั้น แต่าไปคิดว่าโอ้เราเป็นคารวาสจารเจียโอ้เป็นพระไม่ได้ไม่ใช่เป็นได้แล้วก็เป็นให้ดีด้วยเป็นได้ทุก อ, อย่างโสดาสักกะตคาอนาคารแต่เหตุปัจจัยมันไม่เอึดเท่านั้นเองทุกคนมีสิทธิ์หมดเพราะไม่ได้ปิดกั้นใครศาสนาพุทธศาสนาของพระพุทธธรรมในนี้ไม่เคยเปิดกั้นใครเลยแต่ความเพียรของคุณต่อเนื่องหรือ ย, ยังเพียงพอหรือ ย, อยัง ถ้ายังไม่พอนะั่นแหละคือคําตอบไปนั้นอย่าประมาทในวัยในชีวิตที่ผ่านมาก็เห็นว่าผู้เรามีความสนใจดีมีความต่อเนื่องเช่นวันพระวันศิล น, นี่ก็มาไห ว, ว้พระวังศิลปเจริญฟังธรรมจิตะภาวนากันเนื้อเชื่อมาต่อยอดในนอนที่สุดภพชาติที่มีอยู่หรืออยู่ความดีที่อยู่มันก็เพิ่มขึ้นเรือปารามีคําเต็มความของเรามันก็จะเพิ่มมขึ้นมันขึ้นคือบวก เพิ่มไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆมันเต็มเมื่อไหร่100ร้อยเปอร์เซ็ต์เมื่อไหร่ก็ไม่จำเป็นต้องไปทำอะไรแล้วมันอมพอแม่ครูบาอาจารย์แล้วบารมีท่านเต็มแล้วถ้านดีพอแล้วท่านออาม่ต้องไปต่ออะไรเลยพอใส่เท่าไหร่มันก็ลดเหมือนเดิมแต่พวกเรายัางพร่องอยู่ยัางขาดอยู่ยังไม่เต็มบารมีเรายังไม่เต็มก็ให้เราสร้างบารมีไปเรื่อยๆอะไรก็ได้ที่เป็นบารมีทานบารมีสัจ า, จาะเรามีขันติบารมีศีลบารมีมันทำให้หมด ก็ถือว่าเป็นบารมีเราจะเรียกว่าในขณะ น, นี้เราเชื่อเป็นผู้มาสร้างบารมีเกืดมาให้เต็มเมื่อเต็มแล้วก็จะได้ข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งเมื่อข้ามไปฝั่งนั้นได้แล้วก็ไม่ต้อเป็นห่วงแล้วหมดแล้วข้ามพ้นแล้วซึ่งโอคาสงสารอันนี้อันนั้นคือเป้าหมายของพวกเรา น, นั้นก็พออนุโมทนากุศลจิตาของพวกเราทุกคนได้ตั้งตนตั้งแต่ฏรรษาการหน้ามา ถ้าแกมาฟังทําจํำศีลภาวนาทุกวันเลยพวกที่ผู้นสิตเจริญฆ่ะเม็ดเจ็ดวันครั้งหนึ่งก็ถือโอสุดยอดแล้วโอสุดยอดน้อยวัดต้องบอกอย่างนี้เลยนะในประเทศเราเนี่ยน้อยวัดมากๆที่จะทําแบบยพวกเราได้แต่ที่สำคัญคือพวกเราทําอย่างนี้ไม่สักไปว่าทำเพราะว่าพษษ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราก็ทํามาอย่างนี้ตั้งแต่บุรพจังขอเรามาแล้วก็พาปฏิบัติพาทำมาอย่างนี้ พวกเราก็มาต่อเพื่อรักษาปฏิปทาความผู้บายกันคนรุ่นโลกหลังคนสุดท้ายปลายทา ง, ทางแต่ที่สําคัญคือเราเ น, าาานึ่งถึงเมื่อไหร่จะก่อจะร่างเมื่อไหร่เนื่องเส่อเหล่านี้โอ้เราไม่ไปต่ําแน่นอนให้เรานึกอยู่เสมอนี้ราดึกอยู่สูอนี้มันจะเป็นเครื่องเกือนใจครับพวเราจะเป็นกํำลังจะเป็นพลังให้พวกเราไปได้ดีไปได้เรอในครั้งหน้ากา็ขออนุโมทนาในสน่วนจิตนาพลเราทุกคน ในภาษาการนี้ขอให้เราทั้งหลายได้มีสติปัญญาเพื่อปลดพ้นจากสิ่งเหล่านี้ให้เห็นการเกิดการดับให้เร็วที่สุของสรรพสิ่งสรรพสัตว์ทั้งหลายให้อยู่เร็วที่สุดเท่าที่เราได้มันก็จะเป็นที่พึ่งทางใจกับของเราจะเป็นกําลังใจงกับเราขอยเราทั้งหลายได้นความสุขกับเจริญอยู่กับโลกก็เจริญแบบโลกอยู่ตามธรรมก็เจริญตาธรรมคือเจริญทั่งสรนได้ดีการดีแต่ว่าจะเริ่มทำตอนนั้นเองตอนนั้น แลาไดมีความสุขโศจเริญนทางต่างโลกและต่างธรรมทุกคนทุกทาดานเถิน